เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28พฤศภาคมพุทธศักราชสองัราสิ5สเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่ถาวร ส่วนการพัฒนาทางร่างกายคือพัฒนาด้วยร่ายยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกเข้มกายเป็นการพัฒนาชั่วคราวไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเพราะมีร่างกายเป็นที่ตั้งของการพัฒนา เวลาที่ร่างกายหมดวาระกลายเป็นซากศพไปสิ่งที่ได้พัฒนามาไม่ว่าจะเป็นลาภยศเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะหายไปหมดกลับไปที่ศูนย์เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมาพัฒนาใหม่ต้องมาสร้างลากยศเสริญและสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ส่วนการพัฒนาทางใจนี้เป็นการพัฒนาที่ไม่สูญเปล่าเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเวลาที่ร่างกายตายไปใจคู่เป็นคู่ ดูแลร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าใจได้พัฒนาก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเกา่าได้ราบยศสารเสริญสุขที่มากกว่าเกา่าเช่นคนบางคนเกิดมาเกิดมาบนกองเงินกองทอง เกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีไม่ต้องมาเหนื่อยยากมาสร้างราบกยศกเสริมสุขเกิดมาก็มีติดตัวมาแล้ว mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าในอนดีตก่อนที่ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายศิท ธ, ธัตถะก็ได้บำเพ็ญบุญได้พัฒนาจิตใจในภพต่างๆ คนพอมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีลาบยศสละเสริญสุดรออยู่ตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่ไม่ต้องมามาหามาตมาตะเกตตะกายสร้างขึ้นมาเพราะอำนาจของการพัฒนาจิตใจที่พระพุทธเจ้า ได้สมพัฒนามาตามลำดับในแต่ละพบแต่ละชาตินั่นเองคนเราที่เกิดมาที่มีความแตกต่างกันก็เพราะได้พัฒนาจิตใจของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันนั่นเองบางคนพัฒนามามากมาเกิดก็มาอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนขนขวายมากมาย ทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาเทมาเหมือนกับฝนบนท้องฟ้าที่เขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนคนที่ไม่ได้สร้างบุญไม่ได้พัฒนาจิตใจมาก็ต้องตะเกียกตะกายด้วยพรแสวงไม่ได้เป็นพรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงเกิดมาก็ยากจนต้องตะเกียกตะกาย ส่อสู้เพื่อให้ได้มาลางยศสารเสริญสุขนี่คือความแตกต่างระหว่างการพัฒนากายกับพัฒนาใจทางศาสนาพุทธนั้นสอนให้เราทุ่มเทไปกับการพัฒนาจิตใจส่วนทางร่างกายนี้พัฒนาพอประมาณเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือขอให มีอยู่มีกินพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วอย่าเสียเวลากับการหาเงินมากองเท่าภูเขาเป็นหมื่นล้านแสนล้านอย่าไปเสียเวลากับการหาอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงขั้นประธานาธิบดีรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ ความสุขของจิตใจนี้มีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดมีไว้ก็เป็นการเสริมความหลงให้มีความลุ่มหลงมากขึ้นให้มีกิเลสตัณหามากขึ้นที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจให้มากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เหมือนกับในหลวงที่เชื่อพระพุทธเจา้าที่ท่งสอนให้ประชาชนชาวไทยให้พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือให้มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนแล้วก็ให้เอาเวลามาสร้างมาพัฒนาจิตใจมาทำบุญสร้างบุษทานบารมี สร้างศีลบารมีสร้างเมตตา ม, มบารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างปัญญาบารมีและสร้างอุเบกขาบารมีนี่เป็นการพัฒนาจิตใจต้องพัฒนาด้วยทานบารมีคือการให้อย่างที่ญาติโยมได้มาให้อย่างเป็นประจำ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาให้เพียงที่วัดที่เดียวให้ที่ไหนก็เป็นทางบารมีเหมือนกันให้โรงพยาบาลก็เป็นทางบารมีให้โรงเรียนก็เป็นทางบารมีให้สาธารณกุศลต่างๆก็เป็นการเป็นทางบารมีเช่นเดียวกันแต่ที่มาให้ที่วันนี้ จะได้ได้สร้างบารมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยคือปัญญาบารมีที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมการฟังธรรมนี้จะทำให้ฉลาดให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอย่างวันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่า การพัฒนาที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคุณแก่จิตใจแก่ชีวิตของเราก็คือการพัฒนาจิตใจการพัฒนาร่างกายนี้ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเป็นประโยชน์กับร่างกายที่จำเป็นจะต้องมีปจัจจัย4คือมีอาหารยารักษาโรคเครื่องนืง่หงสที่อยู่อาศัย ถ้ามีพอเพียงแล้วก็พอมีมากกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้มีอายุยืนยาวนานกว่าเดิมไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้สวยงามขึ้นมาแต่อย่างใดเพราะปัจจัยสี่นี้มีเพียงสนับสนุนให้ร่างกายอยู่ไปตามวาระของเขาเท่านั้นเอง ต่อให้มีมากเกินความจําเป็นมีสิ่งที่มีราคาแพงๆเช่นบ้านราคาแพงๆเสื้อผ้าราคาแพงๆอาหารราคาแพงๆยารักษาโรคราคาแพงๆก็ไม่ได้ไปต่ออายุไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้อยู่นานไปกว่าการอยู่แบบธรรมดากินธรรมดา ดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการพัฒนาของทางร่างกายให้มากจนเกินไปให้พัฒนาพอที่จําเป็นเท่าที่จําเป็นเท่านั้นก็พอเพื่อเราจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้มีเวลามาทําพัฒนาในสิ่งที่ เป็นการพัฒนาที่ถาวรและที่แท้จริงก็คือพัฒนาที่จิตใจของเราเพราะใจของเรานี้ยังต้องก้าวขึ้นจากระดับปุตุชนอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่นี้ขึ้นไปสู่ระดับอริยเจา้าคือขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันขั้นที่สองก็คือพระสกิดาคามีขั้นที่สาม ก็คือพระอนาคามีและขั้นที่สก็คือพระอรหันต์นี่คือคือระดับความเจริญของจิตใจที่พวกเราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้เพราะมีผู้อื่นที่เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนเป็นบุตุชนเหมือนพวกเรามาก่อนได้พัฒนาไปกันแล้ว เช่นพระ อ, อริยสงสาวก์ทั้งหลายท่านได้พัฒนาจากจิตที่เป็นปุถุชนขึ้นไปจนได้เป็นจิตพระ อ, อรหันต์กันไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัาดพรากจากกัน จิตของพระอาหารหันตุกลูกนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกมาประมาผสมเลยนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรามาพัฒนากันก็คือให้พัฒนาจิตใจให้เข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลนั่นเอง แล้วเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมถอยกลับลงมาถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่กลับมาเกิดเป็นปุถุชนอีกถ้ากลับมาเกิดก็กลับมาเกิดเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปฏิบัติบำเพ็ญพัฒนาจิตใจต่อไปให้ขึ้นไปเป็นพระสกิดาคามีพอได้พระ พอได้ขั้นพระสกิดาคารมีแล้วก็จะไม่ตกลงมาสู่ขั้นโสดาบาันมีแต่จะขึ้นไปก็จะขึ้นไปสู่ขั้นพระอนาคามีพอได้ขั้นพระอนาคามีก็จะไม่กลับลงมาเกิดเป็นพระสกิดาคามีจะขึ้นไปเกิดจะพัฒนาขึ้นไปจนเป็นพระอาราหันต์พอเป็นพระอาราหันต์แล้ว ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปผู้ที่ได้รับพัฒนาจิตใจได้เป็นพระโสดาบันนี้ยังมีภพชาติของมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติถ้ายังไม่สามารถพัฒนาให้ไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดเพื่อมาพัฒนาต่อพระสกิดาคามีก็เช่นเดียวกัน ายังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้ได้พอตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้าได้พัฒนาขึ้นไปเป็นพระอน า, าคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะ สามารถพัฒนาจิตใจในขณะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นพรมให้เป็นพระอาหารหันต์ไปได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปคําว่าอนาคามีจึงแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้คือในโลกของมนุษย์นี้เองแต่ยังต้องกลับมาเกิดในโลกของพรหมแต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ก็เป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปในทุกระดับของภพชาติไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาไม่กลับมาเกิดเป็นพรหมนี่คือจิตใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยการบําเพ็ญบารมีต่างๆเช่นทางบารมีคือการให้ศีลบารมี คือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปฏดเสพสุรายาเมาแล้วก็บำเพ็ญเนกข ม, มะบารมีคือละเว้นการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพะไม่หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลง จากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการซื้อของสวยๆงามๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการครองชีพที่เรียกว่าของฟุ่มเฟือยต่างๆจะไม่หาความสุขแบบนี้แต่จะหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบเดินจงกรมนั่งสมาธิเปรกเวิเวเ ไปอยู่ตามสถานที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดผะมารบกวนใจเวลารับประทานอาหารก็รับประทานแบบรับประทานยาไม่รับประทานเพื่อให้มีความสุขจากอาหารที่รับประทานมีอาหารอะไรก็รับประทานได้ไม่จูจจ้จี้จุกจิกไม่เลือกว่าต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ รับประทานเหมือนรับประทานยารับประทานเพื่อดับความหิวที่มีในร่างกายแล้วก็ป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วจนเกินไปผู้ที่รับประทานอย่างนี้ส่วนใหญ่รับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอหรือถ้าจะรับประทานสองครั้งก็ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพราะความต้องการของร่างกายต้องการต้องการเพียงเท่านี้ความหิวส่วนใหญ่นี้ไม่ได้เกิดจากความหิวของร่างกายแต่เกิดจากความหิวของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ที่ฝังอยู่ในใจที่คอยจะกระตุ้นให้ใจรู้สึกว่าหิวอยากจะรับประทานถ้าปล่อยให้ รับประทานตามความหิวของกิเลสตัณหาร่างกายก็จะต้องกลายเป็นตุ่มไปอย่างแน่นอนอย่างคนที่เราเห็นกันที่มีร่างกายมีน้ำหนักเกินความพอดีนี่เป็นเพราะเกิดจากความหิวทางจิตใจร่างกายรับประทานเข้าไปจนแน่นท้องแล้ว แต่ใจก็ยังบอกว่ายังหิวอยู่ยังอยากรับประทานอยู่ก็เลยต้องรับประทานเข้าไปพอรับประทานเข้าไปก็เลยต้องทำให้ท้องใหญ่ขึ้นร่างกายก็ใหญ่ขึ้นไปอวัยว ะ, วยะท่างต่างๆก็ใหญ่ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นตุ่มไปเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาความอยาก ที่ไม่มีคำว่าพอถ้ารับประทานตามความต้องการของร่างกายแล้วรับรองได้ว่าร่างกายนี้จะไม่อ้วนจะไม่เป็นตุ่มอย่างแน่นอนนี่คือเนคขัมมะบาะมีคือการหาความสุขทางด้านจิตใจด้วยการทำใจให้สงบเช่นนั่งสมาธิควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆ บังคัให้คิดอยู่คำเดียวเช่นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้คิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปแล้วไม่นานใจก็จะสงบนิ่งแล้วจะพบกับความสุขที่แปกประหลาดมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนถ้าได้พบความสุขแบบนี้แล้วจะทิ้งความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรส ได้จากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ได้จากการหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้ความสุขแบบนี้จะไม่มีความหมายต่อใจที่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเลยแล้วก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการบำเพ็ญความสุขแบบนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในเบื้องต้นนี้ความสุขแบบนี้จะเป็นความสุขชั่วคราวได้ในขณะที่นั่งสมาธิพอออกมาแล้วความสุขนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนี้มากๆก็ต้องนั่งสมาธิมากๆนั่งบ่อยๆนั่งทั้งวัน อย่างนี้ก็จะมีความสุขแบบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเวลาใดที่ไม่ได้นั่งไม่ได้ปฏิบัติความสุขแบบนี้ก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ถาวรก็ต้องใช้การเจริญปัญญาเพื่อทำให้ความสุขแบบนี้ถาวรความสุขแบบนี้ที่ไม่ถาวรเพราะ ถูกกิเลสตัณหามาลบไปนั่นเองพอออกจากความสงบแล้วพอมาเห็นลูกเสียงกินลดพอมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสก็มาเป็นผู้สั่งการสั่งให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานพอกิเลสออกมาทา ง, งานแล้วทีนี้ ความสุขที่เกิดจากความสงบก็หายไปดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหาอย่าให้กิเลสตัณหาหลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาอยากให้ใจไปได้นี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะมันต้องแสวงหาต้องต่อสู้ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อความสุขต่างๆ ที่กิเลสตัณหาอยากได้แล้วพอได้มาแล้วก็ได้ความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วก็ได้ความทุกข์แถมมาเพราะจะต้องมาคอยดูแลรักษาต้องกังวลต้องวิตกต้องหวงต้องห่วงแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่สูญหายไปเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้ นี่มันไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปหรือมันต้องจากเราไปเวลาที่จากกันก็มีความทุกข์ทรมานใจมากเวลาที่อยู่แล้วรอให้จากกันก็ทุกข์ทรมานใจเช่นเดียวกันนี่เป็นความทุกข์ที่กิเลสตันหามองไม่เห็นเราต้องใช้ปัญญามา สอนใจให้เห็นว่าความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้นี้ไม่คุ้มค่ากันอย่าไปเอามาอย่าไปอยากได้เพราะมันจะต้องทุกข์ทรมานใจมากกว่าได้รับความสุขนั่นเองเช่นเวลาอยู่คนเดียวกิเลตตันหาก็จะสร้างความรู้สึกว่ า, าว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยากจะมีคู่ครองอยากจะมี เพื่อนอยู่ด้วยแต่กิเลมันไม่เคยคิดว่าเพื่อนที่จะมาอยู่ด้วยนี้จะเป็นคนแบบไหนจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเป็นแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่จะจะดีกับเราไปทุกวันทุกเวลาหรือไม่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่จะอยู่ภายใต้คําสั่งของเราหรือไม่ เราไม่เคยคิดอย่างนี้คิดเพียงแต่ว่าเห็นอะไรที่ชอบอกชอบใจก็คิดว่าดีแล้วพอใจแล้วอยากได้แล้วแต่พอได้มาแล้วทีนี้ก็ต้องมาทะเลาะกันแล้วเพราะเวลารู้จักกันใหม่ๆต่างคนก็ต่างเอาอกเอาใจกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ต่างคนก็ต่างเอาใจของตัวเอง ไม่มาสนใจกับการเอาอกเอาใจกันแล้วพอต่างคนต่างอยากจะทำสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ต้องเกิดการทะเลาะกันคนหนึ่งอยากจะไปเที่ยวอีกคนหนึ่งอยากจะอยู่บ้านอย่างนี้เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีการทะเลาะบอกแววงกันมีการขัดใจกันแล้วก็มีการทุบตีกันตามมาต่อไป นี่คือความทุกขที่เรามองไม่เห็นกันในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราเจริญปัญญาให้มากๆให้เจริญว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆของต่างๆที่เราได้มาเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีไปหมด พอไม่นานมันก็เก่ามันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาขึ้นมานี่คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีกันแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึงก็จะต้องแยกทางกันไปต้องจากกันไปไม่มีอะไร ที่อยู่ด้วยกันไปตลอดในโลกนี้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ที่ตามมาเมื่อเห็นความทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ถ้าอยู่คนเดียวก็บอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครองไม่ต้องมาหวงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาเสียใจเวลาเข้าทิ้งเราไป เวลาเข้าไปหาคนใหม่ไปมีคนใหม่นี่คือปัญญาที่เราต้องพยายามเจริญอยู่เรื่อยๆสลับกับการนั่งสมาธิเวลาเราอยู่ในสมาธิเราก็ไม่ต้องเจริญปัญญาทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดอะไรเพราะความคิดนี้จะมาทำให้ใจไม่สงบไม่มีความสุขนั่นเอง ถ้าไม่มีความคิดแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบไปก็จะสบายแต่พอออกจากความนิ่งความสงบมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเอาปัญญามาคอยสกัดความคิดให้คิดในธรรมนองครองธรรมคือให้คิดปล่อยวางให้คิดไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากมีอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นตอนนี้กำลังมีการเลือกตั้งกันพวกที่ออกไปสมัครเลือกตั้งนี้เป็นพวกที่ไม่มีปัญญาทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดเป็นพวกที่กำลังวิ่งเข้าหาความทุกข์กันไม่ใช่ไปหาความสุขไม่ได้ไปหาความเจริญเพราะเข้าไปวงการนั้นแล้ว เรื่องการรักษาศีลนี้โยนทิ้งไปได้เลยเรื่องการพูดโกหกนี้เป็นเรื่องปกติไปเลือกข้าพเจ้ามาเถิดแล้วข้าพเจ้าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้พอเข้าไปแล้วก็ลืมคำพูดไปหมดว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้นี่คือการเข้าสู่ความเสื่อมการเข้าหาความทุกข์เพราะหลงเชื่อกิเลส ว, ว่าได้เป็น ผู้แทนแล้วจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนั้นจะมีความสุขมากยิ่งได้เป็นรัฐมนตีได้เป็นรัดนายกยิ่งจะร่ำยิ่งรวยใหญ่เลยไม่เคยคิดว่านาลกกำลังก่อตัวขึ้นอยู่ภายในใจไม่เคยคิดถึง อ, อ, อบายที่จะต้องไปเกิดต่อไปเพราะพวกนี้ไม่มีปัญญาไม่เคยเข้าวัดเข้าวา เข้ามาฟังเทศฟังธรรมถ้าเข้าวัดก็เข้ามาหาเสียงเท่านั้นเองไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะหาธรรมะหาปัญญาดังนั้นอย่าไปหลงตามพวกนี้เป็นอันขาดถ้าไม่อยากจะต้องไปหาความทุกข์ ม, มาใส่ตัวเองถ้าอยากจะหาความทุกข์หาความสุขมาใส่ตัวเอง ต้องไปหาที่สงบสงรวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาที่ไม่มีเรื่องราบยศสรรเสริญความสุขต่างๆมาหลอกล่อจิตใจแล้วก็ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบออกจากความสงบก็จะเริญปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความทุกม พิจารณาความไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราให้เห็นตลอดเวลาถ้าเห็นตลอดเวลาแล้วความหลงคือกิเลสตัณหาจะไม่สามารถมาหลอกให้ไปรับสมัครเป็นผู้แทนได้จะไม่สามารถมาหลอกให้เราไปหาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านได้จะไม่สามารถหลอกให้เรา ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในใจของเรานี้แล้วก็คือความสงบของใจนี้เองเพียงแต่เราต้องรู้จักวิธีรักษามันเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วก็คือต้องเจริญปัญญาทุกลมหายใจเข้าออกเผลอเมื่อไหร่เดี๋ยวกิเลสจะหลอกทันที หลอกให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากจะรักษาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับตนไปนานๆแล้วก็จะเกิดความทุกข์ความกังวลใจขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่เป็นการพัฒนาจิตใจไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่ถาวรการพัฒนาราบยศสระเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่ทาง ทางพัฒนาที่แท้จริงทางพัฒนาที่แท้จริงก็ต้องพัฒนาที่จิตใจด้วยทานบารลีด้วยศีลบามีด้วยเนคข ม, มบา ร, รมีด้วยปัญญาบามีด้วยเมตตาบารรมีและด้วยอุเบกขาบารรมีขอให้เราพุ่งมาตรงนี้พัฒนาตรงนี้ แล้วภบชาติของเราจะมีแต่ดีขึ้นไปตามลำดับความสุขจะมีมากขึ้นไปตามลาดับความทุกข์จะมีน้อยลงไปตามลำดับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็จะมีน้อยลงไปตามลาดับและหมดไปได้ในที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำกันมาได้พัฒนากันมา ในที่สุดท่านก็ได้พัฒนาถึงขั้นสูงสุดที่พวกเราต่อไปก็จะไปได้ถึงที่นั่นอย่างแน่นอนถ้าเราพัฒนากันอย่างต่อเนื่องทุกพบทุกชาติจึงขอฝากเรื่องของการมาพัฒนาจิตใจที่เป็นการพัฒนาที่ถาวรและที่แท้จริงนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณา